ทำยังไงเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีเราได้ทํางไงเราจะถอดถอนการหมายรู้ผิดๆว่ามีตัวเราได้มันไม่ใช่การโปรแกรมจิตบางคนไปคิดว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญสติเนี่ยเป็นการโปรแกรมจิตสะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่าตัวเราไม่มีาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาสะกดจิตนะในาศาสนาที่สอนความจริงล้วนๆแล้วกล้าท้าให้พิสูจน์แล้วบอกวิธีพิสูจน์ให้ด้วย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 ไม่ใช่ทุกลว น, วนล้วนละพวกเราคนไหนเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนล้วนไหมไม่มีเลยนะเราเห็นว่าจิตนี่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ความจริงถ้าเห็นความจริงแนละ้วเราจะเห็นว่าขันห้าทั้งหมดเลยเป็นทุกข์ล้วนล้วนถ้าเห็นเมื่อไหร่นะมันจะสลัดทิ้งเม่อ น, นั้นเลยนะขันห้ามีอยู่นะแต่ว่าจิตของผู้ปฏิบัตินี่ยจะเข้าไม่เข้าไปครอบครองมันอีกต่อไป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 อีก60องค์เนี่ยเป็นอุพาโตภาควิมุตต์คือได้ทั้งสมาธิและปัญญาพวกนี้ก็มีสมาธิรวมสามกลุ่มนี้ร้อยแปดจากห้าร้อพวกที่เหลือ30บเท่าไหร่32 64่เปอร์เซ็นต์คือพวกที่เดินแบบสุขวิปัสสกพวกที่เจริญสติเข้าไปเลยไม่ได้ทำฌานทำให้เป็นคือคนส่วนใหญ่อย่างที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้แหล ะ, ะงั้นพวกเราทาได้นะ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 จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะเราอยู่ๆเราไปดูตัวจิตเนะี่ยดูไม่ถึงจิตหรอกหัดใหม่ๆนะเราไม่เห็นจิตจริงเราจะเห็นแต่ว่าเห็นเจตสิกคือธรรมที่ประกอบกับจิตเช่นเราเห็นว่ามันโลภ ม, มันโกรธมันหลงขึ้นมาเราเห็นว่าใจเราโกรธขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างนี้นะหัดแรกๆรู้สึกใจเราโกรธใจเราโลภใจเราหลงค่อยๆฝึกไปค่อยๆหัดค่อยๆสังเกตเราจะเห็นว่า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 ตอนเด็กๆนะฝึกแต่หายใจจวนตัวขึ้นมาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงหายใจไปก่อนหายใจพุโทโธไปเรื่อยนะพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตใจสบายจิตใจผ่อนคลายแล้วค่อยมาพิจารณาดูเฮ้หลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตมันอยู่ที่ไหนเนาะจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตคงไม่ไปอยู่บนภูเขาไปอยู่บนต้นไม้อะไรหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้ต่อไปนี้เราจ ะ, จะเจริญสตินะ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 พวกเราตอนนี้นั่งบนหนาดชัจันใช่ไหมดูหลวงพ่อเพื่อนหลวงพ่อไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาให้ดูแล้วขยับไปขยับมานะเวลาเราดูนะเราดูห่างๆใครส่งจิตมาที่แก้วน้ําบ้างมีไหมนีม่ใครรู้สึกนะใครหัดดูไม่ยากหรอกง่ายจริงๆเพราะประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อคือการปฏิบัตินั้นไม่ยากเสียงท่านห้าวๆนะการปฏิบัติมียศ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 ออกมาที่ป้ายรถเม์เห็นคน500คนนะเต็มป้ายรถเม์เลยสดชื่นไหมเพื่อนร่วมทางเยอะนะไม่สดชื่นใช่ไหแล้วก็รู้ทันใจที่ไม่สดชื่นนะพอรถเมย์ว่างๆมาดีใจรู้ว่าดีใจรถเม์ไม่ยอมจอดนะเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหรู้ว่าโมโหนี่ฝึกอย่างนี้เองนะนี่แหละหัดจเจริญสติในชีวิตประจำวันนะคอยดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของใจเราฝึก ง, ง่ายๆอย่างนี้นะ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 ท่านตะเวนไปถึงที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดป่า้็เข้าไปหาอาจารย์ใหญ่เลยท่านอาจารย์ผมขอมาเรียนกรรมฐานอาจารย์มองหน้าก็บอกโอ้ผมไม่มีปัญญาสอนพระหลวงท่านแต่ฐานความรู้ท่านเที่ยวกับผมอีกผมไม่รู้เลยนะจิตเจตสิกรูปนิพพานอะไรไม่รู้ชื่อหรอกนะท่านรู้มากกว่าผมผมสอนท่านไม่ได้หรอกนี่ท่านก็ไม่มีทิฏฐิมานะนะท่านไปหาพระลําดับที่รองลงไปขอเรียนกรรมฐาน้ไม่มีองค์ไหนสอนท่านสงฆ์เลย จนกระทั่งในที่สุดนะถึงเ네นนที่เล็กที่สุดในวัดอายุเจ็ดขวบเองไปบอกเ네นนช่วยสอนกรรมฐานให้หลวงพ่อหน่อยเถอะหลวงพ่ออยากเรียนกรรมฐานเนนบอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อาาย่นะดังมากนะถ้าผมสั่งอะไรแล้วอาจารย์เชื่อนะผมถึงจะยอมเนี่ยหนังจีนออกมาจากตรงนี้ยนะก่อนจะรับเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมต้องทดสอบก่อนจงคุกเข่าอยู่นี่นะอย่าลุกขึ้นมานะพอดีอาจารย์ไปเที่ยวแล้วลืมกลับมาเนี่ยนะตายไปเลยนะ แต่เนนนี่ไม่ใช่ไงนเนนเนนพอบอกถ้าอาจารย์ต้องเชื่อฟังผมนะท่านพตาโปรธิราบอกว่าผมจะเชื่อท่านเนนสั่งเลยถ้าอาจารย์ใส่จีวรแพรสวยงามราคาแพงเนี่ยสวยจังเลยถ้าอาจารย์ลุยลงน้ําไปเลยอย่าถอดจีวร น, นะเอาจีวรลุยลงไปด้วยท่านใจเด็ดนะท่านเชื่อฟังคําสั่งเนนท่านลุยน้ําจริงๆเลยพอชายผ้าแตะน้นะําเนนบอกท่าอาจารย์หยุดก่อน ที่ริมฝั่งน้ำเนี่ยมีจําปลวกอยู่จําปลวกหนึ่งมีรูอยู่หรูนะมีเฮี้ยตัวหนึ่งขอใช้คําภาษาดั้งเดิมนะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรตัวเงินตัวทองเลยฟังแล้วยาวเสียเวลามีเฮี้ยตัวหนึ่งอยู่ในจําปลวกเนี้ยมีรูเข้าออกได้หรูถ้าท่าอาจารย์จะจับเฮี้ยตัวนี้ให้ได้นะถ้าอาจารย์ปิดรูซะห้ารูนะเหลือไว้รูเดียวเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จับได้เน้นขยับจะพูดต่อท่านพระปธิละบอพอแล้วท่านอาจารย์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 หรือเกิดการกระทบอารมณ์ทางใจนะก็รู้ทันใจของตัวเองไปนั้นท่านได้กุญแจของการปฏิบัติแล้วท่านรู้ลงมาที่ใจตัวเองได้เพราะท่านหัดมามาตรงนี้นะต่อไปท่านไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านิดเดียวนะท่านได้พระละหันนะแตกฉานมากด้วยเขาเรียนมาเยอะนั้นกุญแจสําคัญนะที่พวกเราจะไขเข้าไปสู่ธรรมะพวกเราเรียนธรรมะ ก, กันมากมายเหลือเกิน ท้าเมไรเราเรียนเข้ามาได้ถึงจิตถึงใจตัวเองรู้ทันถึงจิตถึงใจตัวเองเนี่ยเราใกล้เคียงกับธรรมะล้เพราะอะไรเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเรานะเห็นไหมกุศลเกิดที่จิตใช่ไหมกุศลไม่ได้เกิดที่โต๊ะที่เก้าอี้อากุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนะแต่นิพพานปรากฏขึ้นที่จิตนิพพานไม่ได้เกิดที่จิตนิพพานไม่มีคําว่าเกิดกุศลอากุศลมรรคผลทั้งหลายทั้งแหล่นี้เกิดขึ้นที่จิตเอง ถ้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองได้นะการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อผู้หนึ่งนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเคยพูดไปคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่เทศเทศรังสีเนะี่ยท่านสอนบอกว่าการปฏิบัติเนะี่ยถ้าเข้าถึงจิตถึงใจตนเองนะจะได้แก่นส า, สารสาระของการปฏิบัติถ้าภาวนาแล้วยังเข้ามาไม่ถึงใจตัวเองเนะี่ยยังไม่ได้แก่นสารออกได้เปลือกเปลือกได้ผิวผิวของมัน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 ไม่มีนะใครไม่เคยดีใจใครไม่เคยเสียใจมีใครไม่ไม่รู้จักว่าอิจฉาเป็นไงไั้มใครไม่รู้จักกังวลไหมมีใครไม่รู้จักว่ากลัวเป็นไงไหมเนี่ยสารภาพมาแล้วนะว่ารู้จักทุกอย่างเลยที่พูดมาแค่ความรู้สึกในขณะนี้มันเป็นยังไงแค่รู้แค่นี้แหละเช่นในขณะนี้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกส่วนหนึ่งรู้สึกมีความสุขรู้สึกไหม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 มีตั้งแต่8ดขวบเก้าขวบ10 11ิบอสองอะไรพวกนี้พวกนี้เวลาส่งกันบ้านนะอย่าว่าแต่โยมกลัวเลยพระยังกลัวเลยส่งกันบ้านนะอธิบายสภาวะออกมานะน่าฟังมากเลยนันเห็นของจริงๆนะเด็กมันภาวนาง่ายมันซื่อๆพวกเราก็ภาวนาง่ายนะแต่เราไม่ยอมภาวนาแค่นั้นเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้มันจะยากอะไรนักหนามันไม่ยอมดูเท่านั้นแหละ ถ, ถ้าดูนะันไม่ยากหรอก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 แล้วเด็กคนนี้มันจะเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยมันทําวิปั ส, สนาได้เะนั้นพวกเราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติยากหลวงปู่ ด, ดูลบอกว่าไม่ยากอ่ะแล้วหลวงพ่อภาวนามานะหลวงพ่อก็ ว, ว่ า, วามันไม่ยากนะเวลาพูดทีไรบอกภาวน า, ง, านง่ายง่ายง่ายเขียนหนังสือออกมาก็บอกการปฏิบัตินั้นง่ายนะครูบาอาจารย์วัดป่ามีองค์ท่านผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยภาวนาดีมากเลยคือท่านอาจารย์ทุยวัดป่าด่านวิเวก ท่านจันทวยนะลูกศิษย์ท่านมาเรียนที่หลวงพ่อนะเป็นพระแล้วต้เอาหนังสือเอาซีดีของหลวงพ่อไปถวายท่านท่านฟังนะท่านอ่านท่านฟังเสร็จแล้วพอท่านอ่านจบเล่มท่านฟังจบแผ่นนะท่านก็บอกกับพระเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อเราเนี่ยเห็นด้วยนะกับที่อาจารย์ปราโมทสอนทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอย่างเดียวมันยากน้ํายากนะยากท่านว่ายากนะ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 ในโลกนี้ไม่มีคนตื่นคือไม่มีคนที่รู้ตัวจริงเราตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจของเราเนี่ยหลับฝันตลอดเวลาสังเกตไม้มนั่งอยู่ในห้องเนี่ยใจก็คิดนึกไปเรื่อยๆเห็นไหมใจมันฝันนะเนี่เรียกว่าไม่ตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อไรสติมันรู้ทันนะใจไหลไปคิดแล้วใจไหลฝันไปแล้วสติรู้ทันใจที่ไหลไปปุบ๊บสติรู้ทันปั๊บนะจิตจะตื่นขึ้นมาเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมา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 อยากรับไหมใครเรียนแล้วไม่อยากทำนี่นะลอยโถ้ยที่สุดเลยถ้าเรียนทั้งทีนะต้องปฏิบัติให้ได้นะถึงจะสมกับที่เราเป็นชาวพุทธเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครเคยทำกรรมฐานอะไรแล้วไม่หลับนะแล้วก็ไม่เครียดนะวันนั้นแหละคนไหนเคยพุทธโธก็พุทธโธไป คนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้คนไหนเคยดูท้องของยุคก็ดูคนไหนเคยเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าก็ไปเดินจงกรมเคยทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละเคยรู้อิริยาบท4ี่ยืนเดินนั่งนอนก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ปรับนิดหนึ่งปรับให้มันมีใจเป็นคนดูเวลาหายใจนะเวลาหายใจเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเวลารู้อริยาบท4ี่ยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นแค่คนดูค่อยๆฝึกนะ ให้มันมีใจที่เป็นแค่คนดูขึ้นมาไม่ใช่ใจไหลไปส่วนใหญ่พอไปรู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพวกเราลองทดสอบดูนะช่วยคนไหนหัวแม่มือไม่มีบ้างใช้นิ้วอื่นก็ได้นะคนที่มีหัวแม่มือหัวแม่เท้าไม่ต้องเอาหัวแม่มือยกหัวแม่มือตัวเองขึ้นมานะแล้วเพ่งใส่หัวแม่มือให้จิตลงไปแนบที่หัวแม่มือเลยเอาทดลองดูนะหัดดูสภาวะตัวนี้ตัวร้ายเลย เนี่ยคนที่เพ่งอ่ะรู้สึกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือเวลาเราไปรู้ลมหายใจนะจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่ลมพอละพอะเดี๋ยวหัวแม่มือด้วยนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะอย่างเวลาเราจ้องหัวแม่มือนะจิตเราจะไหลไปอยู่ในหัวแม่มือเวลาเราดูท้องผองยุบนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูสมมติเราดูพระพุทธรูปจิตเราไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปจิตเราไม่ตั้งมั่น จิตที่ไม่ตั้งมั่นนี่แหละไม่มีปัญญาหรอกไม่มีทางเลยทําได้ที่มากที่สุดแค่สมถะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเคลื่อนไหวนะค่อยๆสังเกตแต่ร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเช่นคนไหนหายใจก็หายใจไปหายใจแล้วเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกดูคนไหนดูท้องผองยุบนะเห็นร่างกายเป็นพองร่างกายมันยุบดูไปสบายๆไม่ได้ดูให้จิตนิ่งดูสบายๆไปเห็นเลยร่างกายที่ฟองที่ยุบเนี่ยของถูกรู้ถูกดู ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะอย่าไปเพ่งใส่เท้าอย่าให้จิตไปเกาะนิ่งๆ่งอยู่ที่เท้าบางคนแย่กว่านั้นอีกทะลุลงไปรูแผ่นดินเย็นร้อนอ่อนแข็งที่แผ่นดินไกลเกินไปเห็นร่างกายนี้เดินไปใจแค่เป็นแค่คนดูเหมือนเห็นคนอื่นเดินเราค่อยค่ฝึกนะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกของเราขึ้นมาให้เป็นคนดูเท่านั้นไม่ใช่ผู้กระทําไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูค่อยทําตัวเป็นแค่ผู้ดูนะยืนเดินนั่งนอ น, ๆๆ น, นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะ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 จิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตเป็นไงก็คอยรู้ทันเราอาศัยอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองเพื่อจะคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไม่ใช่เอาอารมณ์กรรมฐานมาบังคับให้จิตนิ่งๆอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งปล่อยให้มันทํางานแล้วตามรู้ตามดูมันไปเล่นๆสบายจะตายง่ายนะง่ายที่สุดเลยพูดเทศไปเทศมานจะตรองลงคำว่าง่ายทุกทีเลยเพราะว่ามันไม่ยาก ไม่ยากหรอกโกโกรธขึ้นมารู้ว่ากโกรธพวกเรากโกรธขึ้นมารู้ว่ากโกรธก็เป็นนะแต่ไม่ยอมรู้เพระเราโกรธใครเราจะไปรู้ไอ้อคนที่ทําให้เราโกรธเราไปดูคนที่ทําให้โกรธแทนที่จะดูว่าใจกําลังโกรธเราเกิดความรักขึ้นมาเราเห็นสาวสวยขึ้นมาเราเกิดความรักเรามวดไปดูสาวเราไม่เห็นใจที่กําลังรักง่ายๆเลยง่ายๆนึกถึงคนนี้นะ่าใจเป็นเกลียดขึ้นมาเราก็ไปนึกถึงไอ้คนที่เราเกลียดอีกเราไม่เห็นว่าใจกําลังเกลียดอยู่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 โอ้ปาฏิหาริ์จับผิดไม่ใช่หรอนะใครจิตใจเราเป็นยังไงสารภาพมาอ้าว่าไปสักการใช่ค่ะเรียนก็ปลอดๆ อ, อ, อยู่เป็นกันนะคะปลอดๆรู้ว่าปลอดใช้ได้แล้วสอบผ่านค่ะอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ากรรมฐานใดที่จะเหมาะกับจริตของของโยมนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปบ่อยๆน ะ, ะสิ่งที่เราทํามาแต่เดิมเนี่ยทําสมาธิ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 ตื่นเต้นออตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นก็ใช้ได้แล้วที่ปฏิบัติมานี้มีอะไรที่เป็นมิจฉาเต้าทำให้จริงจังนะทําสม่ําเสมอนะอย่าทำทำหยุดหยุดมีวินัยในการปฏิบัติจําเป็นมากเลยนะครับแล้วกรรมาฐานชนิดใดเหมาะกับเราเป็นคนช่าง ค, คิดเราก็ดูใจของเราไปแต่ว่าไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวคนที่ว่าดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวส่วนมากไม่มีแรงพอหรอกต้องรู้กายไปด้วย ถ้าคุณอยากเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัตินะทุกวันเนี่ยพยายามไปเดินจงกลมไว้วันหนึ่งสินาทีก็ยังดีนะตั้งใจไว้ทุกวันต้องเดิน10นาทีเดินไปแล้วก็คอยเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วก็ค่อยรู้ทันใจที่ไหลผีชิดฝึกไปอย่างนี้ได้ไหมครับทนะ่านะนะัวัฒการหลวงพ่อครับให้หลวงพ่อตรวจวัดผลการฝึกครสารภาพมาจิตขณะนี้เป็นยังไงขณะนี้กลัวเขาไม่นิจฉัยหลวงพ่อครับ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 เรเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาแล้วเกิดโทสะใจไม่ชอบความตื่นเต้นโทสะเป็นอารมณ์ปัจจุบันแล้วตื่นเต้นเป็นอดีตแล้วเราไปดูอดีตแล้วเพราะฉั้นดูลงปัจจุบันตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับหลวงพ่อพูดไม่ค่อยออกอ่ะต่อไปครับอย่าไปเพ่งไว้ยังติดเพ้งนมัสการค่ะหลวงรู้สึกไหม <c oughs> ไปประคองใจให้นิ่งตอนนี้ดูออกไหมใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริง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 หมายถึงว่ามันมันเป็นแข็งของมันเองครับโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันแข็งนะเอองั้นรู้ทันไปเห็นไหมจิตมันทํางานได้เองครับต้องดูอย่างนี้นะเออของคุณไปดูไปดูนักตาไปฮะตอนนี้มันแน่นค่ะใช่ใครเจอหลวงพ่อก็แน่นทั้งนั้นแะจะอยากจะถามหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้เดินจงกรมมันจะรู้สึกว่ามีความสุขโชยขึ้นมาตลอดเหรคะนั่นเพราสติมันเกิด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 จิตไม่ถึงที่ไม่ถึงฐานอาจารค่ะ อ, อ, อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าสำหรับคนที่เคย ป, ปฏิบัติวิปัสนามาแล้วสำหรับคอร์สพื้นฐานนะคะประมาณสองสาครั้งและต้องการพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นแต่ต้องทำงานซึ่งมีจำนวนวันลาต่อปีที่จำกัดอะค่ะจะมีวิธีการหลงพ่ออุปาร ส, สอนแล้วน ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจาวันไม่เกี่ยวกับวันลา อ, อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าจะ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 ที่ฝึกอยู่เราใช้ได้แล้วกลับน้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามปัญหาในการปฏิบัติบางอย่างอย่างเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยแล้วร่างกายมันเอ็นไปข้างหลังหรือว่าไปข้างหน้าเนี่ยมีคนเคยบอกว่ามันเป็นเพราะสติกับสมาธิมันไม่ทันกันอยากจะเรียนถามปัญหาหลวงพ่อข้อนี้ค่ะไม่เห็นยากเลยก็นั่งพิงเก้าอี้ซะนั่งพิงเก้าอีออ้ไม่เห็นยากเลยเพราะว่าเราจเจริญสติเนี่ยนะเราทําในทุกๆอิริยาบถอยู่แล้ว จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมก็ทําได้ไปนั่งแล้วเคลิมเลยสติไม่พอสมาธิมันมากไปล้าหน้าไปสติไม่พอนะลุกขึ้นมาเดินลุกมาเคลื่อนไหวไว้นะอย่าไปนั่งแช่อยู่แช่แล้วก็งงอกไปไม่ดนะีเพิ่มพลังของสติด้วยการเคลื่อนไหวต่อไปกราบนรัมสการหลวงพ่อครับผมได้ไปส่งการบ้างหลวงพ่อเมื่อช่วงส่งการที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกบอกว่าจิตตั้งมั่นแต่ว่ายังรู้อยู่นอ ก, นอก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 สภ<ม>าวะความไม่ใช่เราไม่ใช่เราน้ำเป็นแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก็ถูกแล้วไปถูกทางนั่นแหละไปถูกทางแล้วนะมันจะเห็นเลยมีแต่สภาวะที่ไม่ใช่เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะไม่ใช่เราโกรธแล้วนะเห็น ค, ความโลภความโกรธความหลงแต่มันจะเป็นการตามรู้มันจะไม่รู้ลงปัจจุบันนะดูจิตดูใจมันจะเป็นการตามดูพอย่างเมื่อกี้โกรธเนี่ยขณะที่โกรธมีสติไม่ได้ขณะที่มีสติมันไม่โกรธ เพราะฉนัขณะที่โกรธเนี่ยมันจบไปแล้วมันเกิดขณะที่มีสติขึ้นมามันจ ะ, ะระลึกลงไปย้อนไปนิดหนึง่งมันเห็นเลยว่าตัวที่โกรธอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะของคุณติดการนิ่ ง, งอยู่นิดหนึง่งลดตรงนี้ลงนะให้ใจมันเคลื่อนไหวได้อิสระกว่านี้นิดหน่อยครับสมานสัหารหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติการที่หลวงพ่อมาตลอดนะครับผมทีนี้มันมีความสงสัยอยู่นะฮะอันนี้ถามขอขอความรู้นะครับคือเท่าที่ทราบจากฟังฟังจากหลวงพ่อนะ้วครับก็คือว่า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 พอดีเมื่อวานนี้โกรธพี่สาวแล้วก็มีความโกรธอยู่แล้วก็มันตอนแรกมันรู้สึกโกรธแต่พอไ ป, ไปเรื่อยๆความโกรธมันอยู่นอกๆนะคะเออเห็นไหมมันอยู่นอกๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเออทาไมความโกรธงวด น, นี้ทําไมมันไม่ไม่โกรธเพราะปกติจะเป็นคนโทงสะแรง อ, อย่างเวลาทํางานเนี่ยค่ะแใจมันตื่นขึ้นมานะมันจะเห็นในความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เข้าบ้านเราหรอกอย่างเวลาทํางานอย่างเงี้ยเสียงแบบเสียงโทรศัพท์จะจะมาปล่อยมากแล้วแบบ เสียงโทรศัพมาปุ๊บจิตมันโกรธมันรู้เลยอะค่ะเนี่ยดูไปไ ง, ไงั้นนะถึงวันหนึ่งนะความโกรธก็มีอยู่นะแต่เข้ามาไม่ถึงใจหรอกแล้วก็บางทีสั่งงานลูกน้องหรืออะไรเนี้ยตัวตนเรามันเกิดปุ๊บมันจะรทันที่เห็นใช้ได้อา้าวพานกับเรียนรมหลวงพ่อค่ะว่า ว, วิหารละรมของไปกระดูกดิกไว้นะดูร่างกายเยอะๆหน่อยแล้วแล้วถ้าดูร่างกายอย่างอย่างท่านหนูทําอย่าง ก็คืออย่างนี้หรอคะอย่างกระดูกกดิ่เนี่ยน่าต้องรู้สึกนะไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นคนดูมันใช่อย่างนี้ไหมคะหลวงพ่อไม่ใช่ตอนที่ใจมาอยู่ที่หลวงพ่อใช้ได้แล้วแล้วไปดูไปร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกเป็นแล้วค่ะอ้ามาตรการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อไม่ได้ยินน่ะแก่แล้วหูตึงตอนนี้ทํางานแล้วเกิด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 ไม่ใช่ไปหาทางวางว่าจะวางงงได้ไงอีกนะไม่เอานะรู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วไม่แทรกแสงน ะ, ะต่อไปดการรัศกรครั อ, อาจารย์ตอนนี้ตื่นเต้นนะคะพูดดังๆเลยเธอหลวงพ่อแกว่ะหูไม่ตึงแล้วเอ้าตอนนี้ตื่นเต้นนะคะก็เดินไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าและควรจะปฏิบัติแบบไหนต้องทําในรูปแบบบ้างนะขยันหน่อยใจไม่มีแรงใจฟุ้งซ่านไป ทุกวันตั้งสัจจะกับตัวเองเลยทุกวันจะต้องปฏิบัติในรูปแบบต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอ<ฆ>นะไรเงี้ยเดินจงกรมวันหนึ่งสิบนาทีอย่างน้อยนะมากกว่านั้นถือว่ากําไร<ฆ>เดินจงกรมก็ไม่ใช่เดินทรมานตัวเองนะแต่เดินคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นร่างกายเดินเห็นจิตใจทํางานนะดูออมไ้มใจไหลไปไหนรับเ อ, อรู้แล้วใช้ได้<ฆ>ไม่ยากหรอกเห็นไหมหมดยัง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 ถ้าเราดูสภาวะเป็นเนี่ยเราถึงจะทำวิปัสนาได้ถ้าเราดูสภาวะไม่เป็นทำวิปัสนาไม่ได้หรอกเพราะว่าไตร ล, ลักษณ์แสดงอยู่ที่ตัวสภาวะาใจไปคิดทราบไหมทราบค่ะเออทราบบ่อยๆอย่างเนี้ยใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ ไ, ไ, ปรรไปฝึกตรงนี้นะอ่าหมดแล้วหมดแล้วเราไปได้แล้วยังเราพาบ้านนอกนะมาถึงพอท่านจานทร์ไทยสารเทศจบหลวงพ่อจะขึ้นมาเทศแล้ว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 แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ชวขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์ชนและความสุขแก่ข้ขาพเจ้าทั้งหลายและครอบครั ว, รรวตราบสิ้นกาลนานเทินสาธุแล้วไงอีก เรียบร้อยแลครับผมหลวงพ่อให้พรอ๋ อ, อให้พร น, นะก็ไม่ใช่เลยเมื่อกี้เห็นหลวงพ่อเผ่ศารนะมีโคศกบอกว่าให้พรได้แล้ว <c oughs> หลวงพ่อก็กลัวเชยเราพาบ้านนอกไม่รู้วิธีการของเขายถาวราริวหาปุราภริปูเรนตีสากรางเอวเมวัยโตดินนางเปตานางอุปกปะ ป, ะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิ ป, ปะเมวามิชตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดพนรโสยถ า, ามณิโชติรโสยถ า, าส พ, พีติโยวิวัตชันตตสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาวะอภิวาฒนสีลิสนิจจังมุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขขังพระลังหลวงพ่อก็อนุโมทนากับพวกเราด้วยนะ